ตอนหัดเนี่ยเอาดูไว้ก่อนดูภาษาไทยแต่ถ้า ด, ดูดูภาษาอังกฤษดีอดูเนี่ยนะแปลว่าทําและเราส่วนใหญ่จะเผลอไปดูแบบภาษาอังกฤษคือทําไปตั้งใจดูแบบแบบยังไงปั้นให้มันดีนี่คือดูภาษาอังกฤษประคองเอาไว้ให้มันนิ่งนานๆแทรกแสงประคอ ง, บ, งคบังคับอัเนี้ยเป็นเป็นการกระทําเป็นดูภาษาอังกฤษ ที่เราจะต้องทำเราเป็นคนไทยก็ดูภาษาไทย <c oughs> ดูจริงๆนะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น